เวลาทั้งพบมีระพบหนานั้นเรียกปฏีขึ้นเช่นปัจจัยชาติทั้งสี่ที่เรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเช่นผ้าเครื่องนุ่งของหง่มอาหารการกินเสนาสนะยุกย า, ารกายักษาโรคภัย น, นี่เป็นปัจจัยเครื่องอาใยถ้าไม่มีเครื่องเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้อาศัยปัจจัยทั้งชาติทั้งสี่นี่แหละมนุษย์คนเราจะอยู่ได้ก็ดีส่วนที่พึ่งนั้นที่พึ่งทางใจ ส่วนที่พึ่งทางใจนั้นคนโดยมากเข้าใจว่าพึ่งผู้ผีปีศาจพึ่งเทวดาอารักษ์พึ่งภพภูมิเจ้าที่เหล่านั้นเข้าใจว่าที่พึ่งอันสันไยอันอุ ด, ดมสมบูรณ์ที่สุดหมายความพึ่งสิ่งที่ไม่เห็นนั่นอ่ะเขาเข้าใจว่าจะประจิตประสาให้ ได้สำเร็จตามความปรารถนาของตนพึ่งอย่างนั้นความเป็นจริงแล้วอันพึ่งของพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าไม่ใช่ที่พึ่งของจริงในตังโขสรนังเคมังในตังสรณนังมุตตมัน ในตังสารนามะขมาตปทุกขาโมจติอันที่พึ่งเหล่านั้นน่ะไม่เป็นไปเพื่อความเกษมสุขไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งว่างันก็ลองคิดดูสิมันจะเกษมสุขยังไงได้เช่นเพ่งพึ่งพระภูมิเจ้าที่เลี้ยงดูทุก วันทุกวันมันเป็นสาระของเราที่อยู่เราทําให้ให้อยู่อาหารคานบริโภคก็ต้องเราเป็นคนหาอาใช้ให้กินไมพึ่งไดอย่างง่ายงนเรายังเขามาพึ่งเราตั้มอีกพระภูมิเจ้าที่เมาพึ่งเราตา้มอีกเรายังเข้าใจว่าเราพึ่งพวกภูมิเจ้าที่แต่แท้ที่จริงภูมิเจ้าที่เออพึ่งเราตัม มันจะพ้นทุกได้ไหมเงี้ยพึ่งพูดผีวิสากกัเช่นเดียวกันอย่างศาสนาที่เป็นศาสนาไปเจ้าของแคา ม, มีตนมีตัวไม่เห็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันนั้นเขาจะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดถ้าเจ้ามีนมตนมีตัว ไหว้วอนเคารพนับถือพระเจ้าทุกวันทุกเวลานาทีเจ็บไข้ได้ป่วยได้ยไม่อยู่ดีสบายกระพึ่งพระเจ้าในคนที่สุดสงคามลบลาข้าวฟันกระพึ่งพระเจ้าเพราะพรเจ้าก็เจ้ามาช่วยเด็กพระเจ้าช่วยได้ที่ไหนละ่ะลบลาข้าวฟันจระจิ บ, บหายไว้วอนมด ไม่เห็นมีที่พึ่งนั้นไอ้ที่พึ่งอเปไม่ใช่ที่พึ่งอ่ปเป็นสของทิ่งที่พึ่งอ่ปเป็นเแทนคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีตนมีตัวพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็อิพานไ้หมดใจแล้วจะวพึ่งได้ไงพึ่งได้ แล้วพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตนเองตอนที่พึ่งตนเองนั้นมีอะไรเป็นที่พึ่งในตัวของเราเมื่อพูดถึงพุทธเจ้ากับพระธรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์ผู้สั่งสอนแนะนําเตือนก็พระสงค์นั่ น, นแหละมาลงอันเดียวกันทุกข์พระธรรมพระสองค์อันเดียวกัน ให้ผู้ได้เจ้าตระเรูกะตะตรู้พธรรมพระธรรมแนะนำตักเตือนพระองค์ให้ได้สำเร็จมรรคนในผ่านเพราะพระธรรมเป็นเครื่องสอแสดงให้ดูแจ้งแจ้งกระลซึ่งไงพฤติธรรมหลวงพมดพระสงฆ์ก็ปฏิบัติธรรมนั่นะทาสอนที่พระเจ้าสอนมานั้นะผู้ได้เจ้าค้นคั่วได้เห็นธรรม แในการมาสอนพระสงก็เอาธรรมนมาสอนพระสงฆ์ว่ า, า, พมมาพืชปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูแจ้งเห็นจริงเลยตนเองพระพุทธเดจ้าท่านสอนในพึ่งตนครันนี้เราเห็นอะไรไหมละตนเห็น ต, น ห, ห น, ตนหรือไม่ละเห็นตนหรือไม่เดี๋ยวนี้ นั่นแ่ะข้อสำคัญตรงนั้นเนี่ยท่านท่านังไม่เห็นตนก็พึ่งตนไม่ได้จึงพากันหาตนหาให้เห็นตนของตัวตนคืออันของนั่งตรงมงตรงมิงอันนี้ว่าเป็นตนอันนี้ก็ไม่ใช่ตน มันแก่มันเจ็บมันเท่ามันชราในผลที่สุดกระดับูนไม่ใช่ตนของรูปตัวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ก็ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันอันนี้เป็นได้เพียงหุ่นสําหรับมาสวมเอาเฉย มันตัวที่มาสวมตัวหุ่นอั้นคือตัวใจญ่ทันเมื่อออกจากร่างอันนี้แล้วก็ไปสู่ร่างอื่นเขาไปสวมว่าร่างอื่นไปสวมว่าหุ่นอื่นสวมมาล่างอื่นคนอื่นไม่มีที่สิน้นดีสุดอันตัวนั้นน่ะเป็นตัว เป็นตัวใจของเราแท้ๆนั้นเรียกว่าเราให้พึ่งตัวนั้นหละให้เห็นตัวนั้นแ่ะเพราะเราอาศัยมันทุกภพทุกชาติชาตินี้ก็อาศัยมันจะค่อยได้มาเกิดตายไปแล้วพบชาติอืน่นชาติอื่นก็ต้อง เราไฟกันอนะเอาเอ า, เอาตัวนั้นไปเกิดของอ น, นั้นเป็นของไม่กีรังทาวอนกเหมือนกันต่เกิดพบได้ชาติใดก็อันน้นไหนไปเกิดแต่ว่าสิ่ง น, นั้นมันจะต้องมีศูนย์สิ้นเหมือนกันในถึงในผลที่สุด มันก็เสื่อมสูญจินไปอันนั้นจะไม่ใจของเราอีกเหมือนกันหมดเรื่องอ่า น, นว่าถึงทำที่สุดไม่มีการไม่มีการไปการมาของมันนะอยู่คงที่แต่เรายังอยู่ในขั้นนี้ภูมินี้ก็ต้องอาศัยตัวนั้นไปก่อนแค่นั้นให้เห็นตัวนั้นแหะไปก่อน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 ผลที่ทําดีทําชั่วนั่นแหะกรรมที่ทําดีทําชั่วนั่นแ่ะเมื่อตัวนี้ดับไปแล้วตัวนั้นกลับได้รับไปอีกตัวได้รับผลกรรมผูนั้นได้รับผลกรรมอีกถึงเรียกว่าตัวเราตัวนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังยังติดพันอยู่กับตัวเราอันนี้ตัวเรา น, นี่ทํา ทำกรรมดีกรรมชั่วได้รับผลกรรมดีกรรมชั่วกับตัวอันนี้แหละแต่ตัวนั้นก็ได้รับเหมือนกันจึงเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวเราอย่างข่าคนนั้นที่เขาจับได้ใส่โทษทานกรรมจนกระทั่งประหัดประหารประหัดประหารตัวนี้แหละถูกประหารชีวิตกับประหารตัวนี้แหละ ตัวกายนี่แหละตัวนั้นไม่ถูกหรอกเขาจะปะหารประหานเนี่นก็ไม่ถูกเอื่นยิงก็ไม่ถูกดาบฟันก็ไม่เข้าตัวนั้นแต่เวลาตัวนี้มันใช้กรรมอยู่ต้องใช้ไปสามเรื่องแต่เวลามันดับจริงๆก็จังแล้วผลกรรมยังมากไปตัวนี้อีกอันตัวนั้นไปได้อีกอันตัวเราตัวเราทแท่นนั้นได้อีก ข้อหนึ่งจึงว่าตัวของเรามันเป็นซ่อนกันอยู่ในนี้แหละเรามีซ้อนเราอยู่ในนั้นจึงให้รู้จักตัวของเราทั้งสองอย่างไว้เมื่อรู้จักกายทั้งสองอย่างไม่เลืจักตัวเราทั้งสองอย่างนี้หาที่พึ่ง ส่วนกายเราอาศัยพึ่งพาอาศัยมันเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างแก็จเจ็บตัวนี้แหละมันตัวใจไม่เจ็บเราใครเมื่อพึ่งตัวนี้พึ่งไม่ได้ขนาดนี้ใครเป็นคนเจ็บใครเป็นคนไข้ไม่อยู่ดีสบายปตัวใจมันก็ะปากดมันก็รู้ตัวมันก็เข้าไปไปถึงตัวใจ ใจไม่ยึดไม่ถือกันใจไม่กังวลเกี่ยวของของวันนี้มั้งก็ไม่มีอะไรจริงว่านั้นตัวใจตัวนั้นเป็นตัวเราถ้าเมื่รู้จักเมื่อเมื่อรู้สึกตัวเราอย่างนี้แล้วแล้วปล่อยวางตัวนี้เสียฮัดทั้งสองอย่างฮัดปล่อยวางกายถ้าไม่ยังเหลือตัวใจ ลองลองดูเมื่อปล่อยวางนี้ใจ ย, ยังเหลือที่ใจลองปล่อยวางลองดูจะรู้สึกว่าไม่มีเจ็บมีป่วยหายว่างมดจากจริงปวงง ด, ดนั่นแหลเข้าถึงตัวนั้นเนี่ยเมื่อเข้าถึงตัวนั้นแล้วในเวลาที่เจ็บป่วยก็เข้าถึงตัวนั้น เวลาจะล้มจะตายกันเข้าถึงตัวนั้นเวลามีภัยอันตรายต่างๆซึ่งอยู่ในโลกนี้มีรอบด้านโจรขโมยก็ะดีเรื่องคนป้นคนแฉดมาแดงต่างๆมีภัยอันตรายมีเสือมีผีร้ายเป็นต้นวิ่งเข้าหาที่พึ่งเลยคือตัวใจวางของมณีมด ข้าพึ่งหนึ่งตัวใจเปรียบเหมือนกับไก่เหมือนกับลูกไก่ไมันเห็นเียี่อเห็นอะไรมามันก็วิ่งเข้าหาแม่มันเลยซนปุกอยู่ในปกปีกแม่มันเอาที่พึ่งอันนี้ใช้ก่อน พึ่งมันอยู่ได้ด้วยความสงบอยู่ได้ด้วยความอบรมภาวนาทำสมาธิใจให้มันอยู่นิ่งแนว่วเข้าหาที่พึ่งของมันได้อย่าไปคนควะอย่าไปพัฝ่ายหาสิ่งภายนอกเป็นที่พึ่งเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้สอนให้พึ่งตนเองอย่างนี้เ่ยตังสรณนามุตตะมัง ที่พึ่งอันนั้นเป็นที่พึ่งเอาโดมสูงสุดทรัพย์ทุขาประมุดจติตอันนั้นแหละเป็นเหตุให้พ้นทุกได้ในปัจจุบันและอนาคตข้างห น, น้าไม่รู้จักที่พึ่งของตนทั้งสองอย่างนี้นไว้แล้วหาที่พึ่งไม่เห็นมันก็ไม่รู้จักจะไปพึ่งไหนกันคนทั้งหลายในโลกโดยส่วนมาก หาที่พึ่งไม่ได้ที่จิงก็งหาไฟฝันอะรที่พึ่งกันทุกคนแต่หาตัวพึ่งหาที่พึ่งจริงไม่ได้คนคว้าหาที่พึ่งทั้งนั้นออานหาที่พึ่งที่เป็นของจริงจัง นาถังและปฏิรุนละพังนาถังและปฏิหาที่พึ่งเงินกเกษมสูงสุดได้แก่พึ่งตนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราหาที่พึ่งของจริงไม่ใช่ที่พึ่งเลีวไหลหาที่พึ่งของไม่จริงมันเลีวไหลดอกของเพนะียง หากันหลงมงมงายไปสารพัดทุกอย่างพึ่งของภายนอกไปยมดทุกสิ่งทุกอันเสียผลประโยชน์ของเ่าพึ่งภายในไม่มีเสียไเลยไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ต้องปลูกป้านผูเรือนให้มันอยู่เราต้องเสียเก่าเสียของอะไรทั้งหมดพึ่งตัวเองที่พึ่งไม่อยู่ไม่เอา หาที่คือพึ่งของภานอกยังเป็นเหตุให้เลียวไหลอธิบายเรื่องเรื่องที่พึ่งเอาละในประกาศเนี้ยเอาตั้งใจทำความสงบได้เคยอธิบายให้ฟังว่า ใจในจิตจิตนั้นพึ่งไม่ได้ใจนั้นยังค่อยพึ่งได้จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้สงสัยสำหรับเป็นผู้หาสเสบียงคือให้ความรู้ความฉลาดเฉียบแหลนต่างๆมันเกิดจากจิต ใจใจนั่นมันเฉยเฉยมาเข้าถึงความสงบไม่มีอะไรละเข้าถึงความสงบแล้วก็เฉยจะหัดให้เข้าถึงความสงบให้มันได้ในเมื่อเราไม่เหตุมีการมีเรื่องมีราวเข้ามาจะต้อง รีบเข้าไปหาของสงบคือพึ่งแม่คือลูกไก่พึ่งแม่นั่นเองหรือเหมือนกับอันแย่ที่อยู่ในลานวัดของเราเนี่ะนั่นวิ่งเข้าในรูคนรักษาเขาตองสงบอยู่ชั่วคราวต้องอาศัยอย่างนั้นได้ก่อนใจเป็นของกลาง ไม่คิดนึกสงสัยอะไรทั้งหมดเป็นของ ก, ากลางเราวางใจเป็น ก, กลางอย่างเดียวลงปัจจุบันก็ว่าได้ลงกางกลางนน่ไม่คิดอะไรทั้งหมดปล่อยวางเฉยๆทำให้สบายสบายลไป ไม่ต้องคิดต้องนึกไม่ต้งใส่อะไรทั้งหมดเย็นลงไปสบายสบายให้จับเอาตัวนั้นได้ก่อนจับเอาตัวนั้นได้แล้วก็เข้าน้อมเข้าเป็นถึงความสุขความสงบให้อยู่ได้นานแค่นานยิ่ยงการดียิ่ยงเป็นการดีถ้ามันอยู่ไปแล้วมันหากันรวมลงไปดอก มันมเนีว่าฉันรวมดีแรกเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยเฉยแ่ก่อนถ้าเมื่อนานนานได้เข้ามันรวมลงไปเองรวมเข้าไปถึงความเป็นกลางของเก่านั่นแหละแต่มันลึกซึ้งเข้าไปกว่าเก่าละเอียดไปกว่าเก่าอยู่ได้นานกว่าเก่าและไม่ต้องรักษาอาการเช่นนั้นไม่ต้องรักษา ต่อไปนั้นถ้าหากมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นมามันออกมามประสบเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมันต้องวิ่งเข้าไปหาตรงนั้นน่ะความสงบตรงนั้นน่ะนม้ว่าความสงบนั้ น, น, นชำนิชานานเถอะนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ดีกว่าที่จิตมันจะส่งสายมันส่งสายมามากมายกว่า เลือที่จะพนฒนานับจนนั้นเป็นนิสัยมันชินเสียจนนั้นมีขอบจิตมันจึงยากที่จะเข้าถึงความสงบได้เมื่อเข้าถึงความสงบแล้วมันออกมาเองเหรอกนั้นจิตอันนั้นคือมันนิสัยมันเป็น นี่ใสัยสัญญาของจิตแล้วมันอยู่เฉยไม่เป็นมันยังออกมาเองมาเสาะแสวงหาเรือ่องราวต่งตางๆคิดโน่นสงนี้อะไรต่งตางๆเราจะต้องเอาความสงบมันแหละไปจับอีกทีหนึงอันนี้มันไม่ใช่ของไม่ใช่ของเรามันทรงสายแตมาไม่ใช่ของเรา เราต้องเอาความสงบมาเนี่ยเอาความสงบไปจับกับความงสงสายนั่นเีงแล้วก็ถอนแล้วเข้าถึงความสงบอีกเหมือนกันนันอยู่อย่างนี้แหละไม่มีมสิ้นที่สุดแล้วฝึกหัดอบรมไปอย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้ตลอดไปอบรมมาเข้าถึงความสงบแล้วก็ ออกมาถอนมาทรงใส่ตามเรื่องตามราวก็เข้าฮะความสงบคือพิพจารณาเลือกเฟ้นในมันได้จริงสงบเป็นยังไงอันเชื่อรงใส่เป็นยังไงแล้ว เ, เลือกเฟ้นเอาสิ่งที่เราต้องการจนมันชะนี้ชํนนานาญไม่มีการตื่นเต้นอะไรมันจะทรงใส่ร้อยเป็นไร มันจะสงบก่เป็นไรมันก็อยู่อเลยในความสงสัยล้วก็ไม่ยังสงสัยคำว่าสงบก็ตื่นเต้นอันนั้นแหะมันไม่ได้หลักไม่ตึงขวสงบสักทีควาอยากสงบมันก็หม่เป็นสงบมันก็หม่ยสงบเสียมันก็สงบก็แล้วก็ตื่นเต้นควาสงสัยเรียกก็ไม่สบายเรียกก็เดือดร้อนนู่นนั่นไว้อยากให้ได้ความสงบ ความไม่จำนี้จำนานนะี่ความที่ไม่รู้เรื่องของมันยังค่อยเดือดร้อนนะอยู่ตลอดเวลาทำให้จำนี้ชำนานไนดะ้มันก็นอยู่ที่